อุปาลิปัญจกะว่าด้วยเรื่องพระอุบาลีห้าหมวดหนึ่งอนิสิตวัคหมวดว่าด้วยการไม่ถือนิสัยส1 7สเจโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะขะหะบดีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าภิกษุประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้พระพุทธเจ้าข้า องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์5จะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์5คือ 1. ไม่รู้อุโบสถ 2. ไม่รู้อุโบสถกรรม 3. ไม่รู้ปาฏิโมกศ ไม่รู้ปาติโมกขุเทศ5 —มีพรรษาย่อนห้าอุบาลีภิกสุประกอบด้วยองค์หนี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์ของภิกสุผู้ไม่ต้องถือนิสัยอุบาลีภิษุประกอบด้วยองค์หพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยตลอดชีวิตได้ องห้าคือ 1. รู้อุโบสถ 2. รู้อุโบสถกรรม 3. รู้ปาติโมก 4. รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพรรษาครบห้าหรือมีพรรษาเกินห้าอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองหานี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยตลอดชีวิตได้ องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์าแม้อีกอย่างจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์5อะไรบ้างคือ 1. ไม่รู้ปวารณา 2. ไม่รู้ปวารณากรรม 3. ไม่รู้ปาติโมกสี่ ไม่รู้ปาติโมคุดเทศ 5. –มีพันษาหย่อนหอุบาลีภิกษุประกอบได้องห5นี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยอุบาลีภิกษุประกอบได้องหพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยตลอดชีวิตได้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 พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยตลอดชีวิตได้องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์5แม้อีกอย่างจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์5คือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 5. มีพรรษาย่อน5อุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยตลอดชีวิตไม่ได้องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย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 ห้ามีพรรษาครบหหรือมีพรรษาเกินหอุบาลีภิกษุประกอบได้องห้านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยตลอดชีวิตได้ภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบทเป็นต้น 418. ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุประกอบได้องค์เท่าไรหนอแล ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามาเณรอุปถากพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุประกอบได้องห้าไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามาเณรอุปถากองค์าคือหนึ่งไม่สามารถพยาบาลเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัตว์ทวิหาริกผู้เป็นไข้ 2. ไม่สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นระงับความกระสัน 3. ไม่สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรม 4. ไม่สามารถแนะนำในอภิธรรม 5. ไม่สามารถแนะนำในอภิวิไนอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้านี้แล้วไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามาเณรอุปถาภิกษุที่พึงให้อุปสมบทเป็นต้นอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้าพึงให้อุปสมบทพึงให้อนิสัย พึงใช้สามาเณรอุปถากองค์าคือ 1. สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัตว์ทวิหาริกผู้เป็นไข้สสามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสันสามสามารถบรรเทาเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นโดยธรรม4สามารถแนะนาในอภิธรรม 5. สามารถแนะนาในอภิวินันอุบาลีภิกษุประกอบไดยองหานี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามาเณรอุปถากภิกษุที่ไม่พึงให้อุปสมบทเป็นต้น อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์5แม้อีกอย่างไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามเณรอุปถากองค์5คือ 1. ไม่สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัตวิทวิหาริกในอภิสมาจาริกาสิกขา 2. ไม่สามารถแนะนำในอาทิพรหมจริยาศิกขา 3. ไม่สามารถแนะนำในอาทิศีลไม่สามารถแนะนำในอาทิจิต 5. ไม่สามารถแนะนำในอาทิปัญญาอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปถากภิกษุที่พึงให้อุปสมบทเป็นต้นอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้าพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถากองค์หาคือ 1. สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัตวิหาริกในอภิสมาจาริกาศิกขา 2. ส, สามารถแนะนําในอาทิพรมจริยกาสิกขา 3. ส, สามารถแนะนําในอาทิศีลสสามารถแนะนําในอาทิจิต 5. สามารถแนะนําในอาทิปัญญาอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองคหานี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามาเณรอุปถาก องห้าของภิกษุผู้ถูกลงโทษ419ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องห้าคือหนึ่งเป็นอลัตชี 2. เป็นคนโง่เขลา 3. ไม่ใช่เป็นปกตัิตะ 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได่องคหานี้แลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได่องห้ า, แ, า, งงหาแม้อีกอย่างองห้าคือ 1. เป็นผู้มีศีลวิบัตในอธิสิน 2. เป็นผู้มีอาจารวิบัตในอัจฌาจาร 3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัตในอติทิฏฐิ 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัตอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล อุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างองค์ห้าคือ 1. เล่นขนองกาย 2. เล่นขนองวาจา 3. เล่นขนองทั้งกายและวาจา 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลี สงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลอุบาลีส็ศงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างองค์ห้าคือ 1. ประพฤติไม่สมควรทางกาย 2. ประพฤติไม่สมควรทางวาจา 3. ประพฤติไม่สมควรทั้งกายและทางวาจา 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องหานี้แลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องค์าแม้อีกอย่างองค์าคือ 1. ทำลายพระบัญญัติทางกาย 2. ทำลายพระบัญญัติทางวาจา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 ประกอบมิจฉาชีพทางกาย 2. ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา 3. ประกอบมิจฉาชีพทางกายและทางวาจา 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลีสงพึ่งลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลอุบาลี สงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องค์5แม้อีกอย่างองค์5คือ 1. ต้องอาบัตแล้วถูกลงโทษแต่ยังให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สา ม, มเณรอุปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณี อุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แหลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องหา้แห า, งงหาแม้อีกอย่างองค์5คือ 1. ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงโทษ 2. ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกัน 3. ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 4. ตำหนิกรรม 5. าตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมอุบาเีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องหานี้แหลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องหา้าแม้อีกอย่างองห้าคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธ 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 4. เป็นมิจฉาทิฏฐิ 5. มีอาชีววิบัติอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แหลอนิสิตะวักที่หนึ่งจบหัวข้อประจำวาระไม่รู้อุโบสถไม่รู้ปวารณาไม่รู้อาบัต ไม่สามารถพยาบาลภิกษุไข่ไม่สามารถฝึกในอภิสมาจารสงพึงลงโทษภิกษุผู้เป็นอลัตชีมีศีลวิบัติในอธิศินเล่นขนองประพฤติไม่สมควรทําลายพระบัญญัติเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษตาหนิพระพุทธเจ้ารวมเป็นวักที่หนึ่ง แล้ว